ร้อยห้าสิบสองครับข้อที่สิบเอ็ด 11. พิสูจทั้งหลายหนึ่งรูปสองรูปหรือสามรูปก็ดีเป็นผู้ดําเนินตามเป็นผู้มีวาทะเป็นปักปาของพิสูจผู้พยายามทําให้สงแตกแยกนั้นเธอเหล่านะกล่ายอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายอย่าเล่ว่าอะไรอะไรพิสูจรูปนั้น เธอเป็นผู้กล่าวชอบด้วยธรรมเธอเป็นผู้กล่าวชอบด้วยวินัยเธอกล่าวโดยถือเอาความพอใจและความชอบใจของพวกข้าพเจา้าเธอย่อมรู้ความพอใจและความชอบใจของพวกข้าพเจา้าเธอยอ่อมกล่าวเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายแม้พวกข้าพเจ้า ก, ก็พอใจการกระทำเช่นนั้น ที่สุทั้งหลายจึงว่าข่าวที่สุเหล่านะนี้ว่าท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวอย่างนี้ด้วยว่าที่สุนั้นไม่ใช่ผู้กล่าวชอบด้วยคำและไม่ใช่ผู้กล่าวชอบด้วยวิหานะแม้ท่านทั้งหลายก็อย่าชอบใจการทำสังฆเทศที่ของท่านทั้งหลาย จงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับาสงด้วยว่าสงคู่พร้อมเรียนกันยินดีร่วมกันไม่ทะเลาะวิวาสกันมีอุเทนเดียวกันย่อมอยู่เป็นสุขเมื่อทพิสูจคู่ดําเนินตามเหล่าวนั้นถูกี่สุขทั้งหลายกล่าวสอนอยู่อย่างนี้ก็ยังยืนกัานอยู่อย่างนั้นนั่นเอง พิสุขข้างหลาคึงสวดสมนุภาสนากรรมสามั้งแต่พิสุดเหล่านั้นเพื่อให้สลัดพฤติกรรมนะถ้าว่าพิสุขเหล่านั้นถสวดสมนุภาสนากรรมก่อสัสรรทธโรคสามครั้งปืนสลัดพฤติกรรมนั้นการสลดได้อย่างนี้เป็นความดีถ้าไม่ยอมสลด จนตรวจครบอ3สามครั้งต้องอาบัติสังขารพิเศษถามยาวหน่อยนะทั้วบอกว่าที่สุดทั้งหมายสองสามรูปสามูปหนึ่งูปสองูหรือว่าสามูปความจริงอ่จจะมากกว่านี้ก็ได้เป็นสิบยี่สิบก็แล้วแต่นะที่ดำเนินตามคอยตามนะครับมีคำพูดเป็นฝักเ่นายนะที่ดำานูดอย่างมากแค่สามูปเนี่ยเพราะว่า การที่สงจะลงกรรมนะครับแก่ที่สุรานะลงกรรมกับที่สุราชเนี่ยมากให้สามลูป ค, <c oughs> คือพวกนี้ยที่คอยตามปฏิบัติใน่ไหมครับแล้วสงว่า ก, กับตังเตือนไม่เชื่อนะสงก็จะสวดมนุษย์ทานสนาสามนะครับซ <c oughs> ึ่งกรรมไม่ใช่กรรมการขมนะถ้ากรรมที่เกี่ยวกับการผมนะครับทั้งหลายเนี่ยมีการสวดมนุษย์านสนกรรมนะว่างกับตังเตือนเพื่อใ้ขณะพิถีนี้เป็นต้องนะครับ มันมีผู aten, sake, ้น hmm. so so <Yeah. S 1> ักข right? right? ่มนะคณะตัณฑนิยกรรมที่แม่นปรับทาชนิยกรรมปฏิสารนิยกรรมนิยศาสกรรมอะไรหลายกรรมมาเกี่ยวกันผมทั้งหลายแหล่นะครับสงฆ์จะทํากรรมแฉยสงไม่ได้ครับสงฆ์จะทํากรรมเฉบสงไม่ได้ตอนนั้นท่านก็เลยพูดถึงพิสุยมากแค่สามรูปครับถึงจะมีทค่ยี่สิบรูปนะแต่เวลาเราเอามาลงกรรมเราเอาแค่สามรูปครับนี่มันจะนับสารูปแล้วก็จวบเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดไปครับอื อันนี้จำไหมนะจำที่เกี่ยวการข่มก็ดีแล้วและ ก, ก็คือการผสมบทก็ดีอันนี้สองคาำจำผสม ไ, มได้สองประเภทเนี้นะก็สองคำได้มากแก่งนณะท่านก็เลยพูดว่าแก่สามรูปนี้นะครับดําเนินตามนยก็คือค้อยตานครับเป็นผู้มีวาทถ้าเป็นปักตาคือมีคำพูดเป็นปักเป็นฝ่ายภาพเปนพวกครับไม่ได้เกิดความสมรู้คีบันนะ ถ้าเกิดความแตกความขวกมขั้เนี่ยก็เป็นฝักฝ่ายนะข้อข้างที่สุดพยายามสนนสนับนะครับเธอหลังแม่แต่อย่างนี้ว่าไอ้เนื้อความชั้นนะนะอะไรนี่ก็ตามนี่แหละก็พยายามข้อข้า้ลูกนั้นแหละว่าลูกนั่นพูดชอบด้วยธรรมชอบด้วยไหนัยนะครับแล้วก็มาปรึกษามาอะไรกับพวกเราแล้วนะเขาพูดจากความเห็นด้วยความชอบอย่างเขาพวกข้าวเจ้าใช่ไหมครับไม่ได้พูดเราเอง ยพยายามเข้าข้าทีนี้เมื่อมีที่สูงที่นะครับดำเนินตานั่นเป็นฝักเป็นฝางนะครับสนับ ส, ส น, น, ยยนุนที่สูงผู้พยาธิทำลาณของอย่างนี้ถ้าส่งที่ลูกขาวเข้าก็ต้องไปบ้าต่างดักเตือนนะครับเหมือนเดิมนะเมื่อะมีแปดกิโลเมตรเนี่ยเราไปเห็นเองด้วยได้ยีขกขาพอดีว่าถ้าตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นฝักเป็นฝางสนับสนุนคู่พยาธยิทำลายสองนั้นนะเราก็งไปบ้าฝักตัดเตือน ว่ากระดับเป็นรอบนอกใช่ไหมสามครั้งถ้าไม่ยอมคุมตัวมาถึงถ้ำกลางสองนี้เรบว่ากายสาม 4, 2, 1, ครั้ ง, งถ้านี้ไม่ยอมหนะมีนะก็สวดมึนผ่านเนะครับเนี่ยจบสามครั้งถ้าเขาสนัดได้ก่อนเขาก็ไม่ต้องทำานดีเซ็ตใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่สนัดจนสุดเต็มนะครับก็ต้องทำารดีเซ็นะครั บ, ตรรบแต่ตอนที่จํามาส่วดจังได้ก็แปล ว, แว่าจํามาสวดได้อย่างมากทั้ง ร, รักษาลก ข้อ น, นะอนี้ก็ถือว่าไม่ยากต้นเนื่ข อ, ข อ, ของข้อที่มืนอกี้นะครับทีนี้เรามาดูนะต้นมันยาน้มาจากครงก็ต้องมาจากาจะเจนีพวงปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเข้าใจชาวบชัดขท้นนี้ครับเมื่อนิมมานมิถัาต้นมันยาน <c oughs> เรื่องอ ท, ที่สู่พุทธตาปฏิบัติธรรมโดยสมัยนะั้นพระพุทธเจ้าประทัาอยูาา่ณพระเวดูวันมีหา อันเป็นสถานที่พระประธานเยีย่ยมกาแต่เขตพระนครหลักคือครั้งนั้นพระเทวทัพจะเกียรติการเพื่อทำลายสงเพื่อทําลายข้อห้ามในพุทธจักรพิสุท์ทั้งหลายพูดอย่างนี้ว่าพระเทวทัพพูดไม่ถูกธรรมพูดไม่ถูกวินยัยฉนัยพระเทวทัพจึงได้ะเกียรติการเพื่อทําลายสงเพื่อทําลายข้อห้ามในพุทธจักรเล่าเมื่อพิสุท์ทั้งหลายพูดอย่างนี้แล้วข้าก่อการลิกการนะครับเพื่อนึงเพื่อนตีนะ <c oughs> พระกะตะโมรกะกัติสกะพระสันดะเทวีบุตรและพระสมิทรพระได้กล่าวกับวิสุทธเหล่านั้นว่าท่านหลายอย่าได้พูดอย่างนั้นพระเทวทัตพูดถูกธรรมพูดถูกวินัยก็พระเทวทัตกาวคอยตางความพอใจและความเห็นชอบของพวกเราพระเทวทัตสร้างความพอใจและความเห็นชอบของพวกเราจึงกล่าวคำนั้นย่อมสมควรแม้แก่พวกเรา บาดาลพิสุทธิ์ที่เป็นู้มากน้อยสโดษตาก็แท้งเริดาพุทธนาครัว่าฉะนั้นิสุดทั้งหลายจึงได้ระพฤตามาูุสนับสนุนพระเทวทัพผู้ตะเกียรติการเชื่อทํายสงเล่าและตากุณเนี้ความนั้นแบบมิมพากาจ้าผู้ทวงก็ประชุมสองสงสอบถามครับสองตีดเตี๊สุดธิ์พวกนั้นแล้วก็บัญญัติขามบทขึ้นมาคนี่ร่วมด้วยอะไรนะคนร่วมด้วยคนที่ร่วมด้วย เขาไม่ได้เป็นศัแทแ เ, นะเขาอยที่เอเขาม่เป็นอาจจว่าคนที่พอที่เป็นคนนี้ก็าเป็นปากฝายเฉยนะคอยเป็นต้นเรื่องคนที่จองกเดี๋ยวางอันี้ะคนี่ไนดะ้นะทีนี้ก็มาดูควเรียยังไม่ควพูดสอนนะมีเวล า, ยยาที่จลังพูดเลยไ่ไ <c oughs> จะมาดูควาที่บายนะับหน้าแปดสิบเก้าลยอมมาอย่างนี้นะครับทำาที่สิบเอ็ดอธิบายเพทานวัตจักสิขาบทพึงสราบอธิบายสิขาบทที่สิบเ็ต่อไปคำว่าตัดเสวะโขปนะความว่าสนับสนุนพิสุขผู้จะทำลายสงคำว่าอนุวัตกาความว่าประพฤติตานะครับโดยการถือความเอาความเห็นความชอบใจความพอใจ ของพิสูจน์นั้นเนี่ยนะจะเห็นด้วยไปเชื่อใจกับที่เู็นสธรรมารส่มนะครับเอาพวกพิสูจน์ชื่อว่าวัควาตตาผู้นี้วาถ้าเป็นฝักฝายนะแล้วก็เพราะกล่าวคําที่เป็นพระนะครับคือเป็นคำมันตั้งอยู่ในฝักฝ่ายแห่งความไม่สามัคคีกล่าที่ให้เกิดเป็นฝักเป็นฝ่าเป็นภาพเป็นพวกนะไมากากความสามัคคีนะครับอย่างนี้ไม่ดีนะ ไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเข้าสามัคคีปองดองพร้อมปีนกันนะครับถูกต้องมาทําดีไหนนะก็จะเป็นระยามแบ่งพักแบ่งขั้วแบ่งต้องนะครับดีถึงแม่เกียรติถังกระเพกก็แล้วแต่นะครับสมัยเจ้าอุจรหัวจามเราก็จะพูดท่านบอกท่านไม่ชอบคนที่แบบไปแบ่งพักแบ่งพวกวทำเป็นกลุ่มเป็นกลอ่เปนเกาะนะไม่ได้มาอะไรทั้งหมดอย่างนี้ น, นะครับแ yeah, ยกทำเป็นกลุมเป็นเกาะอะไร น, นั่นแหละจริงมันต้องร่วมไปใช่ไหม สมอของมาสมคีอันเดียวกันนะครับครลาโตถ้าาโตมันหยุดที่หมเลยตไปยังไม่ห้มดเขเป็นองเชื่อว้าใ้ขาิงหมดเลยอ๋อครับใส่ครอ่าข้อเก่าคำอะไรก้วก็คือคำที่ไม่ ไม่เกี่ยวความขมขีนครับก็เพราะเหตุที่พิสูจเกินสามรูปนี่ครับไม่ไปนะพิสูจน์เกินสามรูปขึ้นไปนะครับไม่เป็นผู้ควรแก่การทํากรรมความจริงสองย่อมไม่ลงกรรมแก่สองนะครับไ่ลกรรมไม่เกียนกัารข่นครแล้วก็เป็นบทสมบัตินี้นะเพราะเหตุนั้นพระพากษ์เจ้าสุนตานว่ารูปเดียวบ้างสองรูปบ้างหรือสารูปบ้าง คำว่าชานณติโนความว่ารู้ความพอใจเป็นต้นของพวกเราถ้ารูปนั้นนะครับที่พยายามทานายสงนะรู้ความพอใจของพวกเราทําตามนี้่แหละอของพวกเราคําว่าหางสติความว่าพูดกับเราว่าพวกเราจะทําอย่างนี้คําว่าอัมหากําเปตามคัมมัติความว่าท่านทำำํากรรมใดกรรมนั้นพวกเราชอบใจ คำว่าสมเมตยสมันตานังสังเคะความว่าจิตของพวกท่านผู้มีอายุทั้งหลายอันนี้หมายถึงตอนที่กระส่งไปว่าการผานเตือนนะครับแห่ประตังเตือนอนี้นะจิตของพวกท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงพร้อมเพรียงกันกัะส่งอธิบายว่าถึงความเป็นพวกอยู่กันคําที่เหลือเนี่ยจบแล้วคําที่เหลือชัดเจนแล้วทีเดียวตามใจฟังของบก ตามสิทธาบทนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับเดี๋ยวว่าใกล้คล้ายกันไหนไม่อะไรพร้อมเพียงกันไม่ไม่ว่ากกรรอยู่แค่เดียวกันเะครับก็เหมือนกันคำที่เดี๋ยวชัดเจนแล้วทีเดียวตามเชใงความของบทแม้คาถาว่าด้วยการวิิจิัยในสิทธาบทนี้เป็นเหมือนกับคําที่กล่าวไว้แล้วในสิทธาบทที่สินั่นเองนะครับก็เหมือนกันนะครับเริ่มต่ออาบัตตั้งแต่ตอนที่ <c oughs> ถูกก็สงไปว่ากลางกลงเตรีรนรอบก่อนใชมสามครั้งต้องทุกตแล้วคุณมาคุมัวมนท่ำกลางสงนะว่ากระดาษเตีร์สามครั้งก็ต้องทุกตกนะครับ <c oughs> แล้วก็สวดสมบูญผ้าจบญาติต้องบวชทุตตท ก, กตกดีจบนึงสาวนาสองครั้งต้องถุนลจใจสองตัวจบนึงสาวนาครั้งสุดท้ายนะครับท <c oughs> ุกตกุนละใยหายไปนะครับก็เหลืกสัมภ า, ารศอันนีน้เนีน่ยก็เหมือนกัน ส่วความต่างกันมีดังนี้สิขาบทนี้พึงทราเจ้าทรงปลางและพวกพิสุทหลายรูปในเมือลงละคือบรรดเวื่องแล้วต้เหตุคือการปรพฤติตามคาถิประทัตผู้พยายามเพื่อจะทําลายสงและในองค์ทั้งหลายสิขาัวนี้พึงทราบว่ามีองค์รรยายา ค, งงคือการปรพฤติตามพิสุทผู้ทำลายสงแทงองค์คือการพยายามจะทำลายสในสิขาบทที่สิบ ในทางกระสัฉบับใหม่เขียนองค์ท่ายๆนะครับเราดูนะว่าอามบัตมีองค์สี่นะครับก็คือหนึ่งถ้าของใครไม่มีก็ดูดูตรงบรรทัศน์แรกก็ได้นะครับถ้าเป็นเรื่องของประเทวรทัศนเนี่ยหนึ่งเนี่ยจะเป็นพยายาผู้ทำลายสองใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นข้อสเสดเนี่ยหนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นนี้นครับประพฤติตามพิสุผู้ทำลายสองจะเปลี่ยนเป็นนี้ข้อสองก็เหมือนกัน สองส่วนสมมนุภาพด้วยกรรมทีเป็ธรรมข้อสามส่วนสมมนุภาพสมุทาสถานกรรมจบข้อสี่ที่สุดไม่ยอมก็ต่างกับข้อแรกนะครับองค์ที่เหลือก็เหมือนกันเมื่อพรบองค์สี่นี้ก็กล้าบัตภันเสร็จจบการที่บายเททานวัตการศิกษาบทนะครับอนามบัตก็เหมือนกันเลยอนามบัตก็เหมือนกันนะครับถ้ายังไม่ถูกส่วนสมมนุภาพ ยังไม่ถึงนาทิเศษนะครับหรือว่าอันที่สองที่สุนสนาเสียได้ก่อนที่จะจบสุสนาหน้าก่อนนะัวันนี้ก็ไม่ต้องงาทิเศษที่สูติทกรจริต อ, อ่านที่คำที่กาัวนี้ไม่ต้องอาาง่านบัตรเลยอาครับต่อวันนะครับต่อทัสองต่อวันเพราะนี่ก็อธิบายไม่เยอะ ที่ในข้างในพิเบาะอทุบันนไม่เยอะถ้าทำตก็คือหมว่าเป็นการทำอาจจะเป็นทับประโลมทรโลมในที่มาแต่ทาแยกได้ทำแยกไดใครมาจับตลาดตามก็อะไรก็ถือว่าเขาข้ามนะอย่างนี้ด้วยเขาไคอยตามเมื่อกี้บอกว่าคอยตามพักเป็นพวกนะครับแล้วก็พูดเป็นฝักฝา คือถ้ามีใครมาว่าลูกทุกษยานธนาสงเนี่ยเขาก็จะไม่อบเขาจะไม่เห็นด้วยเขาถือว่าคนเนี้ยก็ทําดีแล้วนะครับเขาคุยกับาอะไรกันแล้วนะเขาไม่ได้ออกว่าเองถ้าปรึกษาความเห็นชอบของพวกเราแล้วนะครับจะมีลักษณนะครับต่อไปนะครับพ่อเนี้ยถ้าอยู่ว่าเหตุกานณ์เกิดเรื่องราวนี้เนี่ยก็ต้องมีพิสูจน์ที่พูดจดจำอะไรกันใช่ไหมครับ แล้วใครที่เป็นพระโกนะเขาจะค้าเขาจะแย้งี่นี้เก็จะรู้กันได้นะว่าใครวกใครต่อไปนะครับอ่าทมาดูในวบรษวิธีนะครับแน่หนึ่ง้อห้าสิบสาโอ้นี่ก็แน่สนน่เรื่องวิสูทธหนึ่งคนว่ายากสองญากินะครับใิทธาบทเนี่ยจะพูดถึงธรรมะที่ทรรมเป็นคนมีคนว่ายากมันมีอะไรบ้างนะ ผมจะบอกก่อนมาหน้า ก, กับที่ผีสองตัวนะฮอย่างม้ว่เ น, นี่ยมาหน้ากันเป็นคนว่าแย่ที่ผีกัเป็นคนว่าแย่แต่มีเยอะกว่านี้จะมีได้สิบหกขอ้อนะ